พศ1 5 0 7ณรัชสามบ้านปากจังหวัดอุดรธานีสิ่งที่แก่ตัวไม่ไดนในปัจจุบันได้จากการเปิดตัวมารกจะเป็นสัตว์รเป็นบุคคล แก้ไขนนหน่อยในภาคหนึน่งเหมือนกับทาสอบตรงเรียร์สามท่านสอบตดในขนาดนั้นจะขอสอบแก้ตัวก็สอบนั่นหนึ่งต้องเรียน่อไปจนกว่าภูมิความรู้สมควรก็สอบแล้วก็สอบความหนึ่ง น่นารักครเรื่องทัานกุญปัตมีรับเกิดมานี่ถ้าถูดุขถูกก็ได้เกิดมาแล้วจะเป็นสัตก็เป็นเป็นทีเป็นตัตรประเภทใดก็เป็นเป็นที่เป็นคนก็เป็นเป็นที่หฮะแล้วขาดตกบกหร่องส่วนใดก็ขาดมาแต่เป็นทีจะแก้ไขก็ลำมาก อาเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นตนที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้มาเพราะฉะนั้นท่านจึงนะครับบำบัดประมาทคุณค่าการเกิดมาของตอนสัตว์เราเดินไปที่ไหนรูนแต่สัตว์ ในน้ำคนมีอยู่บนบกคนมีอยู่บนต้นไม้ปิ่งไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งทั้งนั้นเป็นตหมดต้นไม้ต่ำๆสัตว์เกิดได้ไหนแต่มนุษย์เราต้องเป็นชนนั้น ความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นมากความสูงสุดในทาตนี้ําว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสตรองกายที่สมบูรณ์ไม่ถ้าตกบกพั้งและไม่เป็นใบบาทแย่จะดีเกือาจเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นคุน ทพ่ทให้สังสมคุณงามความดีเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งกลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีที่จะต่ำลงไปก็เ น, นื่นงจ การดัแรดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทำตัวให้เป็นคนต่ำที่จะเป็นคนดีขึ้นไปต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นิสิตว่าสูงพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อน แล้วจัจะรู้เป็นาศาสดาของโลก <C oughs> มนาพระสงฆ์สาวกก็ต้อตงก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองทั้งสวัง์สมบัติและมิผรานสมบัติโดยจึงควรภาคภูมิใจในมนุษย์สมบัติของเราทุดามานัน และคนภาคภูมิใจในศาสนาของเราที่เรียกพบศาสนาที่เป็นของคุณแท้ได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็หัดดูยิ่เพ่อไม่สอนคนให้เชื่อแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำตางกันคุณภาพของศาสนาต่างกันพุทธศาสนาน สามารถสอนคุณให้เป็นคนที่เยี่ยมทั้งๆรื่เป็นมนุษย์นี่ก็ไดคือเยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วๆไปรู้สึกทั่วๆไปก็าตามแต่ลักษณะของคุณในสมบัติของใจความสิต ข, ของใจ ความคล่องแคร่วขั้นต่างจะผิดเกิดจากใจทั้งหลายเพราะไม่ควรจับหลักธรรมที่เป็นของจริงคิดพื่อปัจจัยหนาฉะนั้นเวลานี้เรากำลังอยู่ในมัดที่หนคือศูนกลางของโลกสัตัดเราก็มาได้ไปเกิดนรกก็ไม่ได้ไปตก ที่ไหนได้ยินเตะเที่ยงนโลกตดิเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นนโลกสัตว์ก็ได้ยินเตะเที่เราไม่ได้เป็นสัตว์เราก็ตป็น ม, น, มนุษยเพราะฉะนั้น <c oughs> เราต้องเห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งคร่องในระดบนี้พยายามอบเชยบัดแปรยุดถือ ท, ทางเดินขอ ง, ของีจิตใจั้งลัาให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอมราบรื่น ทั้งทางโลกและทางถัดเราจะมีความกระดวดสบายอยู่ในรถนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีวามเป็นเคขื่อนะคะดัดแปงจิตใจให้กูทากในรถหน้าก็คือจุดดวงที่ดัดแปลงอยู่ในบัตรนี้จะต้นผู้ปักไม่มีสินใดจะไปโรกหน้านะนอกจากติดเดียวซึว่งเป็ น, นของละเอียดยิ่งนี้ ฉะนั้นต่างท่านต่างกขเ็ตนในท่านที่จะสืบผลอบรมดับแปลงจิตใจของต น, นในคราวที่มีชีวิตอยูน่นี้ถ้าชีวิตหาไมปแล้วร่างกายก็สึกซีใสที่จะพาทำติดกรรมงานต่างๆแต่พราศีลก็ไม่หลับจะไปเลมือตาภาวนาก็ไม่หลับขาดทุกอย่าง เพราะนั้นเราจะเห็นสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเอกแน่เราจะสะแสวงหาสิ่อื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขแล้วก็อย่าลืมตัวถึงกับว่าได้พลาดไปเพราะจิตกรรนั้นัน้นโดยความอยากเป็นเจ้าเวีง จิต ใ, ใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมอยังไงก็ไม่แผลง<ม>จะกล้าไปคิดนิดไปคิดหน่อยก็สัองต้องก้าวไปเสมอการดัดแปลงการอบรม เ, เองนี่เป็นสิ่งสำคัญใน้เรถูอไวว่า ธรรมะสอของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกทุกันพวกาอยู่ที่ไหนแปแหาธรรมะก็ ไ, ด, ได้ไม่ว่ารักเไม่ว่าขราวึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเพียรความมุ่งหมายตามหลักความจริงของธรรมแม้เราจะจากทูบาร์จากาจาไป ก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจที่เคยมีความชําทคาเฉยเื่อเง่กับศีลกับธรรมนั้นเป็นองศีที่แนบสนิทอยู่กับใจข้างในทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านัดเพราะฉะนั้นธรรมาพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยุึตงเตียเ ร่างกายของพระองค์เท่านั้นเวนคุณงามความดีทั้งหมด <c oughs> ที่ได้ประทานไว้แล้วอย่างใดก็ต้องคงเส้นคงวาดีเท่นั้นผู้ปฏิบัติตามสวข้าระธรรมที่ปรัรให้คอบแล้ว <c oughs> จะต้องเป็นที่ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหาเรักขติธรรมะจรนยต่งตน ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญก็ยามจะปลา ก, กดแจ่ผู้ปฏิบัตินักหนาเนั้นท่านคือเป็นนักบวชก็ดีโตเตัมสำคัญในหน้าที่ทั้งกัน ทำมนต์วดเป็นผู้ปล่อยภาระมันมีเงหทางด้านคารวะจัดทมเรียกว่าทำตัวเป็นคนขอทานทุ ก, ก็ให้ทุกแบบยุกของอพระบัคุทัตจักรมังมีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพิกของตนกิดเหุหน้าตน ข, ของมีคุณค่าปตะจำตน จะเห็นสิ่ใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปไปกว่าเรื่องของพระถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าผลของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปเพรวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปาทางความสุขความเจริญภาน์ในจิตใจของตนก็จะด้อยลง <c oughs> เราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะพระซึ่งมีประจำโทกของเราพระก็จะลำบากขนาดไหนก็ขอให้เพกลนบากแต่ยึดถือพระธารมกฏโน่ <c oughs> ก็ขอให้โน่อยู่ในวงธรรมะคํำอสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าอีกประฐานเอาไว้มีชื่อว่าตัวมุขพระธรรมกฏ จะเกิดสุดท้ายทางหลังก็คือลูกพระราชาโคผูเทวดา้องนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกที่อื่นใดเล่นเดียอกับเรามีลูกหลายคนเป็นหัวปีกอลูกของเราเป็นกลางก็ลูกของเราเป็นผู้หญิงก็ลูกของเราเป็นผู้ชายก็ลูกของเราคนติดท้องก็ลูกของเรานลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกัน ทำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่างลอยพระเมตตาได้แต่พระธรรมแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นหนวทางหรือบันดาลเพื่อให้เราทั้งหลายเลยก้าวเดินไปตามเทาววิชานั้นกะไม่ผิดหลังทั้งภากนี้ก็จะมีผลตอบรทนให้มีความสุขความเป็นภายในใจภากหนา้าคุนจะฝึดต่อจากภากนี้ ทุกๆขณะเมื่อจิตใจนี้เลยออกจากร่างร่างนี้ไปก็จะมีความสุขความเปรย์ขึ้นกล้ า, าไปข้างหน้าก่อจากเท้าอันนี้กล้ า, าไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าตรงไหนพจะไปสู่โลกไหนกแค่ใจเดินนี้เป็นที่จากก้ า, าไป ไม่ใช่ตัวใจดวงไหนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการตรวจรอ ง, างการก้าวไปของตนเป็นเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องสังเกตว่าทางในถูกทางในผิดไม่ใช้ว่าทางแล้วก็จะเดินในใช้ว่าพ่วงว่าเท้าแล้วพอจะก้าวไปโดยไม่คํานึงถึงฝากหนามไม่คํานึงถึงทางติดแม้ทางกูผู้นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลัง แต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จิตนั้นด้วยสังเกตการเหยียดอย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนงษ์ถังทนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญนดิดหนึ่งและถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าคําสังสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกบททุก ท, ทุกบาทย้อนแวตั้งแต่เป็นทางแห่งสุขค้าตาธรรมเรียกว่าเป็นมรโขหรือทางที่ บณรดาพิธบริษัททั้งหลายจะดําเนินไปเพื่ความชอบดีและถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะเทวาทุกๆบททุกบาปทีทท่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้านั้นตนไปได้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียเพราะเหตุใดพระใจของพระพุทธเจ้า เป็นใจที่เป็นไปได้จาก เ, เหตุผลเมื่อเหตุผลเพียงพอต่อการปฏิบัติของขพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบอิสุทธิ์ขึ้นฉะนั้นความบริสุทนั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อในประทานทำมะข้อไหนไหม่จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสุขาตาธรรมสามารถจะนําผู้ประพฤติปฏิบัติจุงดำเนินตามแ่วงลอยแห่งพระมตตาคือพระอวาทหน้น ให้ถุนจุดหมายปลายทางไปได้โดยนีนน้นับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงท่านสูงสุดคือลุมพินีฐานจะไม่ดวกการเลือกสมัยใดๆตามาพักทำที่กล่าวไว้ว่าอากาลหโกหความดีเป็นของมีอยูประจําโลกความเที่ยวก็เป็นของมีอยูประจําโลกการทําดีทำเที่วมีอยู่ความสุขความทุกข์ จึสูญหายไปไน่เมื่อเป็นเชนนั้นคัมมาอากาดิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางเท่ผูกทั้งคนดีคนเท่ผูกทั้งและมูอยู่กับผู้ทำนั้นด้วยมีเดียกว่าอากาลิโก้เป็นศูนกลางอยู่แคนี้ไม่เคยเสื่อมศอนย์ต่อทานไปไหนที่ว่าธรรมะคำตสางคําัพปิจาที่ตรับไม่ถูกต้องแล้ว โทปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไมนะ่น่ะถ้าก็เป็นแค่นั้นแล้วคำว่าธรรมโมหริรักคติธรรมะใจจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไมนะ่นีนเราทั้งหลายผู้ดำเนินตามร่องรอยพราเมตตาของพระพุทธิจ้าโปรดด้พินิจพิจารณา อยู่ในหลัลกธรรมหรือศีนประเทศใดก็โปรดด้วยต้องหวนรักษาศาีนทั้ง็นธรรมทั้งตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นจก่ความหลับความนอนเห็นจก่ความสี้เกียจขี้กลางเห็นแก่ความมาั่ง่าอ่อนแอสิงเหนี้จะกลายมาเป็นศาสตราแทนพระเทศจีน ทำที่ควรจะได้จะถึงก็จะเสินหาอันตรธานกระจับหันใจใดังนั้นก็ถูกพรมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เท่านั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นคารวาสก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดีสร้างธรรมก็ดีตอนน้องมีธรรมเป็นเชี่ยนเคล็ดแสงอยู่เสมอ หากว่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องยกิดแสงอยท่าในการกระทำหรือจิตใจของผู้ทานั่นแลจะไม่เป็นไปเพราะความลบเยียนแต่ตนเองและผู่อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆคำว่าธรรมนั้นเป็นคั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทำเข้าใจว่าตนทาตามพรอว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโลกไปเสียชนี ทำทั้งๆ ท, ที่เราว่าดําเนินตามทำก็ะจะกลายเป็นโลกภายในตัวของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตําหนิว่าเราปฏิบัติทำมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันไรเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่แท้ที่จริงความคิดหรือการทำของตนได้ผึกขึ้นจากหลักความจริงที่สวรรค์ขขทำธรรมพระพุธทธเจ้าผ่านไป ขนจินปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำตังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรคนิทานในครั้งนั้นกับในครั้งนี้จะไม่มีอันใดผิดแตกจากกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้น กับกิเลสของพระโพธิญาและกิเลสของสาวกบริบกใบัดท่างหมความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีนอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นแบบอเกิดงความดีความทุกข์แห่งความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันและอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธการนั้นจะมีธรรมะที่จะนํามาแก้กิเลสปัญหาอาสวะ จะาแก้ทุกข์แก้ไข ท, ที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนํามาท้ายแก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้กลายเป็ศาสตรส า, าของพวกเราทั้งหลายให้ได้กลบบับมาอยู่ในบัดนี้ดังนั้นธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นศูนย์กลางอี่เสมอไม่ได้รวงรับดับขันนิพพานไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อไปตามผู้ใด ในเรืยอแยมไปตามคำกล่าวหาหรือว่าร้ายของบุคคลใดๆเท่งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพธิสัตว์ได้เอ็นเอียงไปตามคำตามนิอิจมของคนง้ดจะเป็นธรรมะของจินทรงโลกทรงทรรมไว้ไม่ได้ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วทั่วโลกใคร้ายไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเอนเอียงแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้น จึงตั้งอยู่ในความเป็นมัธยิมาเสนอต้นเสนอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีสิทธิที่จะรู้เห็นรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกเึ่นมีสังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลำดับเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจีน่หลักเป็นเครื่องรับรอง ผมที่จะถึงได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามร่องรอยคาสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนามาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องนี้ให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นคือเหตุดีได้แก่ เ, เราประกอบ ถูกต้องดีผลจะเป็นความสุดิขึ้นมาภายในใจเห็นจะจัดอยู่เรียกว่าสันทิปที่โกคนอื่นจะไม่เห็นก็ตามเมื่อตอนทำถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาไม่าชฉนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอาณาธนาลิทูลพระพุทธเจ้าพระเดตามทุกระยะ แหงการประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกนี่ผิดท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถในตัวเองเพราะไม่มีสันติทิโกมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันติทิโกมีจะเป็นทันนองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่สันติทิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับ ทุกๆท่ทานผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิธติโกทัานหยาท่านกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเช่นใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยเสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาทีนี้เราก็เลยระับต่ง ทำสอนของพระพุทธเจา้าเกิดความเชื่อความมโนสัยขึ้นมาเนื้อจากทาบุญให้ทานถึงก็ต้องทําบุญให้ทานรักษาศีลนับเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อ น, นิสัยของตอนนี้เราก็พอทราบได้ดูว่านิสัยของรตัตกรกับนิสัยที่เป็นอยูนับัตินี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกนบบัดนี้มีความต่างกันหรือก็จัดเ็นสันทิ่ที่โก รู้ภายตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกเชนั้นมีผูกพันภาวนนาได้มีความมุ่นวมายดี่งีง่ยมหาความสงบ ม, มาได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรความสุขสึ้นเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสทราบแต่พอได้บําเพ็ญภาวนนาตามในที่สัน เนี่ยเอาไว้มาบําเพ็ญภายในตัวเองราปลเป็นความสงบภายในใจแต่สงบน้อยพอตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบายน mm ี hmm. ่ก็เป็นสันพิธิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากขึ้นกว่านั้นเป็นเห็นกระจัดทั้งกลางวันกลางคืน ไปไหนกำหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยูเสมอไม่ได้เกยกย้ายจากกันเลยมียิ่งจะเห็นชัดเห็นลายทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบครอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นการที่จะโก้ก็ทราบชัดทั้งความสงบนะด้วยทั้งความรอบครอบหรือความเงียบภายของปัญญาได้แต่สองมองดูสภาวะธรรมทั้งหลายเห็นเห็นวนะ่ากลิ่นทั้งหลายทั้งปวง มีความแตกสลายมีความนิโยพัก ร, รากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแล้วก็ค่อยทราบพัดไปโดยทางปัญญาต<ม>ามที่เราข้างหลังเราเคยสวด่าฮานาพววินาพววมันนี้เป็นต้นแล้วก็ทราบขึ้นภายในตัวของเราเป็นิเลที่ เ, เคยหนาแ น, น่นภายในใจเจเป็นเหมือนกับเทีงนกองหนึ่ง กุ่มลมอยู่ภายใน ห, หัวใจของเราเราก็ค่อยระ ง, งับดับลงไปได้เพื่ออานาจแห่งความสงบที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลำหนับลำหนับเป็นกายเป็นจิตที่เย็นกายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉล า, าดสามารถที่จะสอดส่องมองดูเหการณ์ภายนอกกับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็จะจ่อวางความ าสำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลาดับการจ่อยความสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจของกัญญาเข้ามาได้เป็นลาดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกเราหามนั้นออกจากใจของเราเป็นชั้นๆเข้ามามีก็ เ, เป็นสันธิภิโคเข้ามาเป็นลาดับมีมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการที่แกหนา ภูบาททุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราพู่าอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยจากในยาบบ ท, ทั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์บุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนี่นี่เกเป็นปัญญาอันก็เป็นขันธี่โกขะพุทธ คำว่าอนัตตาเราจากสัจากบุคคลเก่าจากความเฉื่อยสั้นยอของไข่ไข่เท่านั้นไม่ได้เป็นแตตามแต่เป็นแตตามลักษณะลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่างเพราะอํานาจของปัญญาได้เช็ญพระให้ถึงหลักความจริงจริงถ้าคําว่าอนิจจังไม่ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดี ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดแต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นั้นเมื่อเราได้รู้ในขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็าตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่ดีเสมอยอยี่กับเป็นสันติสุขประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่า ถ้าพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ข้าก็จะทำให้จิต ม, มีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเ้าผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องความทุกข์นี่ถ้าจะพูดกันไปในทันนองนั้นก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริง ถ้ารุตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้นธรรมนาเราเกิดข้อข้องใจกับอันใดอันใดที่เป็นเครื่องบกพร่องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเราเนี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแลจะทำทุกข์ให้เรา น, นเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพร่องกันอย่างใดเมื่อส่วนใดบกพร่องก็พยายามดึงเต็มขวัญขวายหรือแะแสงหามา ไว้สําหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นทุกข์อันหนึ่งถึงเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องวิ่งเจงขวัญขวายเรืองยาที่ยิ่งเจงขวัญขวายท่านเรียกว่ามัดทางดําเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสาหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลําลบากเป็นกองทุกข์หนึ่งการต่อแสงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้ว ว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วก็แสดงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคืทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคําสอนของมุขเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มาพุ้มบุ๋มซึ่งกันแะศาสนาทั้งหมดในคําสอนมุขเจ้าเป็นกลองไฟไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเองเป็นทุกข์เพราะเรื่องไปก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหาก แล้วมันมีความรู้วิชาการทำมาค่าขายหรือกิจการงานต่างๆทําอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่เขาต้องสอนให้ฉลาดอีกความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความที่เกียดพิชาญความพยันมันเพียรนนะ่ะเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆน ะ, ะพระพุทธเจ้า ก, ก็สอนสอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องพุ่มลุมจิตใจให้รับความตรสอน มีคนภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างๆไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการนั่นให้ค่อยหมดไปหมดไปครับ อ, อุบายที่ชอบของเราอุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ มีศาสนาสอนอย่างนั้นที่นี้ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เช่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้มาใส่สมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโกรเขาเขาของเราก็มีหลายประเภทเราฉลาดในการทำมาหาเรื่องขีดฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเขาของแต่เราอาจจะโงงในส่วนหนึ่งภายในของเรา ความทุกข์ภายใยยนใจคือมีพพ เ, อออเรื่องบุญจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้วิจารณารื่องุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งจะทำเรื่องภายนอกก็ได้เแต่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉดาดของเราไม่พันมันกรเป็น้ามมทอายให้เกิดทุกข์ได้ทีนี้อุบายวิธีที่จะแสดงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นเพืนเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัว นั่นก็เป็นมร์เมื่อมีมร์คือทางดําเนินที่ถูกต้องทุกในกครอบครัวก็ดับไปมีการเรียกว่านี้โลดในส่วนหนึ่งถี่ย้อนกลับมาสู่ภายในครบมันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเดือดร้อนก็รู้อยู่แต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากคุยวาอาจารย์หรือจากบทธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้ เม้เข้ามาอบรมจิตใจทังตนด้วปรากด็นความสมงบเงยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทํานั้นเรียกว่ามัตตจิตใจทังเราที่มันกําลังทุกข์นั้นเรียกว่าทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมด้วยปรากฏ ไ, ได้วยด้วยระดับเพ็มให้ถูกต้องแล้วทุกข์เหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกข์ดับไประยะไหนก็มีโลท่าก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะยะอย่างนี้ ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่สอนว่าคนกุ่มลุมเอาผุกติกต้ศาสนาทั้งหมดโดนแหน่ตั้งแต่เป็นกองเพ่งไม่ใช่อย่างนั้นเนือ้อที่มาถึงเรื่องสารคดีคุเลยติดต่อแผนไปคือการกล่ามาทั้งหมดนี้ทั้งจัดจาธรรมภายนอกได้แก่คุกสมุทัยนิโรธนะตเอาพูดง่ายว่าคุกสมุทัยนิโรธมในครอบครัวหนึ่งหนึ่ง ทั่วทั้งโลกเนี่ยและพยะ้อนเข้ามาทุกตะมูไทยโลดนักในร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะนี่ครอบครัวที่ร่างกายนี้นี่จะให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกกับทางนอกรับภายในเหมือนกันวิธีการ เนี่ยเธอมาถึงเรื่องสามทิฏิโ ก, โก้ทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีและเลยจากสามทิฏิโ ก, โกนี้ใส่ในนั้นเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้รู้และผิดชอบทุกอย่าภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชั่วความสุขความทุทกิตของเราเพราะเป็นนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ฉลาดยิ่งกว่านี้แปเป็นนังไง มีนาทึงอญญายักษัภายในทิ้กาที่นะอญญาอายักษัดที่กองทุกภายในสมุทยภายในมรรคภายในนิโรธภายในใพยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็น้อยวันหนึ่งขอให้ได้มีความสุ ข, ขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวอืเรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผู้ดําเนินสเสือต้นเสมอปลาภายนอกก็เป็นไปหน้า มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความสุขความจเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาทายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความจเจริญเลือกเยงใจเกิดขึ้นจากธรรมะธรรมตกรักพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจมีแล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลํำดับลำํบลำดับดังที่อธิบายเมื่อสะกี่นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิเป็นลํำดับถึงขั้นปัญญาแต่ไข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 ในเมื่อมากคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วที่เรศทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเราติดกับนับไม่ถ้วนก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับทั้งกันแต่พอจุดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งที่เรศที่เป็นความมืดภายในใจก็เช่นเดียวกันขอให้สติปัญญา หลั่งาความเพียรของเราได้เจอเข้าไปเจอเข้าไปความมืดเหล่านี้ก็จะค่อขยายตัวออกไปขยายตัวไปห่างไปจากจิตใจจิตใจก็จะมีความดูความไปเลญความผ่องใสความองอาจกราหานมีความเชื่อมันในหลักธรรมยิ่งเข้าไปความขยันมันเพียรก็ยิ่งคืบหน้าถอดถอนได้มากเท่าไราก็เห็นคุณนนิสงคือความเบาแห่จิตใจก็ยิย่งมีแสจิตแสใจเพื่อนาต้นควา นิดนิดน้อยก็พอถอนออกก็ได้เป็นลำดับนำดับมาสู่จนกระทั่งถึงวงแค่แม้ภายในจิตใจก็ทอถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือนั่นทิ้งเราจะหาพุทธะที่ไหนเราจะหาพันิุ์ผานที่ไหนเมื่อใจทุนนี้เป็นผู้บริสิกเพราะพอถอนภาระซึ่งกดท่วงจิตใจทห้ส่วนออกเสียโดยทิ้งเฉย ก็อํานาจแห่งศรัทธาปัญญาแห่งภาพาความจริงนั้นเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามคิดไม่ได้ขึ้นดีกับธรรมะเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกไม่อขึ้นอยู่กับใครทุกก็ย่อมไม่ขึ้นอีกับใครเหมือนกันเป็นผู้สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งนี้เรื่องความคู่ความเป็นความบริจิตุิโธพุดโถของพระโพธจการเราก็ได้กราบไหว้ท่าน คุทธโธของเราก็มีอยู่ประจำใจของเรามีเป็นสันพิษทโกอยู่ทั้งดั่งทั้งขีดรู้ชัดปัดกัดตังเมริสะโบกินดิสต้อรู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่สีไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหนอยู่กับใจของเราดวงหนึ่งเพราะรจิตเลตมันมีอยู่ที่นี่ กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเนื้อแก้นี้ลงไปโดยลำดับลาดับเนีความหมดติ้นของที่เหล็กก็ต้องหมดติ้นไปเตือนความบริสุกธจะใหญ่น้อยขนาดไหนนะั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่เตือนหากรู้โดยลำพังตัวเองที่เรียกว่าปัจจังวิฏฐ บ, บุตร จะรู้ได้ด้วยกันทุกคนเพราะทำเหล่านี้เป็นธรรมประจำใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ตอเห็นรู้าจากักงั้นนอยขอให้พาันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าทำทั้งแทงที่ใจของเราความสุดความเป็นเลไม่แค่ของใครแต่เป็นของผู้จิ่งจ่งสวนขารพยายามบำเพ็ญ นั heart, ่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของหองสมบัตินั้อวิชสาผู้ทำมาเตยเทนั้นขวามสามารถพิเศษพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงคุ้มครองรักษาท่านทุกข์ายให้มีความสุขกายสมหวัใจและสมนำความมุ่งมั่นปรารถนาเพื่อมากันเวย